นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมา สัมพุทธศาสตรสุขาสังคศสสามัคคีสมัคคานังตะโปสุโคตินะบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสามัคคีกถา เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัท ธ, ธาประดับปัญญาบา ร, รมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาววัดปยุร่วงศ์สาวาททั้งหลายผู้ได้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนี้เป็นวันธรร ม, มัะ ส, สวัสด วันฟังเทศฟังธรรมที่เรียกกันว่าวันพระเป็นโอกาสที่จะได้ชักชวนกันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่จะได้ทำบุญทำกุศลเป็นสิริมงคลเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อเนื่องไปยังปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า วัดวาอารามต่างๆมีกิจกรรมทำความดีร่วมกันเช่นสวดมนต์ข้ามปีดังที่มหาเถระสมาคมได้มีประกาศชักชวนและออกคำสั่งให้วัดทั้งหลายทั่วราชาอาณาจักรได้เปิดวัดในคืนวันที่31ธันวาคมจนถึงเช้าวันที่1มกราคม ปีใหม่ให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกันคือสวดมนต์ข้ามปีถ้าสวดคนเดียวก็คงจะไม่คึกคักไม่มีพลังแต่สวดกันทั่วประเทศเป็นล้านเฉพาะที่สนามหลวงก็กำหนดว่าเป็นแสนวัดปพร ะ, ะวงสาวาตก็หลายร้อย่ายทอดโทรทัศ ให้ถึงกันทั่วประเทศและต่างประเทศร้อยใจกันเป็นหนึ่งเพื่อทำความดีอย่างนี้แหละเรียกว่านำความสุขมาให้ดังพระบาลีนิกเขปะ บ, บทเบื้องต้นที่อทตมาภาพได้ยกขึ้นวไว้ว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีสมัคขานังตะโปสุโ ข, ข ความสามัคคีพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้ความเพียรของคนที่สมัครสมานสามัคคีนำความสุขมาให้ความสามัคคีท่านหมายถึงสะมะจิตแปลว่ามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำอะไรด้วยความคิดคล้ายกันเหมือนกัน อย่างญาติโยมจะสวดมนต์ข้ามปีต้องเห็นดีเห็นงามและสวดด้วยจิตใจที่คิดไปพร้อมๆกันมาสวดมนต์ทำวัดเช้าที่วัดปยโรวงศ์สาวาทถ้าสวดแต่ปากใจไม่พร้อมกับคนอื่นเพราะใจลอยล่องลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ก็สวดไม่พร้อม พาเพื่อนล่มและเราก็ไม่มีความสุขเพราะว่าใจไม่เต็มร้อยใจมันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคนในพระอุโบสถทำอะไรก็ไม่ไปทางเดียวกันเรียกว่าความสุขมันก็ไม่เกิดในบ้านถ้าคนน้าหนึ่งใจเดียวกัน ทำอะไรก็คิดคล้ายๆกันไม่ทะเลาะเบาะแวงบ้านก็มีความสุขวัดก็มีความสุขทั่วประเทศก็มีความสุขดังมีสํานักมตประชาประสํานักสำรวจประชามติของคนเรียกว่าสํานักโพลได้รายงานว่าข่าวอะไรที่ทาให้คนไทยมีความสุขที่สุด ในรอบปี 2,555 เสียงส่วนใหญ่ส่วนมากตอบว่าภาพที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จออกมหาสมาคมในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางพระศกนิกกรกว่า 200,000 คน แต่งชุดสีเหลืองงามสะพรั่งทั่วถนนราชดำเนินเป็นผ้าแพ่งความสมัครสมานสามคัคคีรวมใจเป็นหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนทั่วประเทศเห็นผ้าพเพ่งความสมัครสมานสามคัคคีความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ มีความสุขอย่างยิ่งคนกว่าสองแสนคนที่ไปปักหลักแต่กลางคืนเพื่อที่จะรอเข้าเฝ้าในมหาสมาคมในวันรุ่งขึ้นสิบโมงเช้านั้นต่างคนต่างมาต่างคนต่างหาที่นั่งไม่ทะเลาะกันมีความสมัครสมานถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำพร้อมเพียงกันจึงทำให้เกิดการมห า, มหาสมักข่มขึ้นนี่เรียกว่าความเพียรพยายามของคนที่สมัครสมานสามัคคีนำความสุขมาให้และข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขนอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็คือสถาบันพระพุทธศาสนา ข่าวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขก็เนื่องจากเห็นภาพได้ยินข่าวคนไทยทั้งประเทศทำความดีร่วมกันด้วยการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำกันทั้งประเทศมิใช่เฉพาะในช่วงวีสาขะ เดือนหกเท่านั้นแต่ยังทำมาจนถึงทุกวันนี้แม้แต่จะสวดมนต์ข้ามปีก็บอกว่าสวดฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่งชุดขาวไปร่วมงานวันวิสาขาบูชาปีนี้และปี 2,556 เพราะฉลองวิสาขาบูชากันหนึ่งปีฉลองพุทธชยันตีกันเป็นเวลาหนึ่งปีผ้าเพงความน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำร้อมเพียงกันทำความสุขให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะความสมัครสมานสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวทำให้คนไทยทำอะไรในทิศทางเดียวกันไม่สวนทางกันเหมือนกับคนพายเรือแข่งนั่นแหละ สิบยี่สิบคนจ้ำพายพร้อมกันเรือก็แร่นเร็วงานก็ไม่หนักมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าหากว่าเราช่วยกันพายช่วยกันทอเรือก็เล่นเร็วฉันใดในที่ทํางานถ้าแต่ละคนร่วมกันทํางานพร้อมเพรียงกันงานหนักก็เป็นงานเบางานใหญ่ก็กลายเป็นงานเล็ก ดังที่วัดปยุระวงสาวาสจะจัดงานใหญ่ฉลอง185ปีวัดปยุระวงสาวาสในวันที่ 12-13 มกราคมที่จะถึงนี้เป็นงานใหญ่ทูลเชิญเจ้านายเสด็จด้วยถ้าหากว่าคนในวัดสมาชิกของวัดมาช่วยกันจับช่วยกันทำ เดินผ่านเขาเต่าก็จะเห็นเร่งกันทั้งวันทั้งคืนตีหนึ่งตีสองยังทํางานพงเก ง, งกงเกงอาตมาไปตรวจดูเร่งกันใหญ่ฝ่ายพระที่เตรียมหนังสือเตรียมที่จะพิมพ์หนังสืออนุสอ์ก็ทํางานในส่วนของท่านฝ่ายตกแต่งประดับประดาวัดว่าอารามต่างๆขวนขวายทําคนละอย่างสองอย่างการมีส่วนร่วมทําให้มีความสุข เหมือนเราไปทำนาสมัยก่อนการได้ลงแขกเอาแรงทำงานร่วมกันเกี่ยวข้าวนาผืนใหญ่มันไม่หนักมีเพลงเกี่ยวข้าวร้องกันด้วยถ้าหากว่าเตรียมการงานใหญ่ๆอย่างในวันที่สิบสองนี่พระมาจากหลายวัดมาประชุมสัมมนากันครูพระสอนศีลธรรมวัดนี่ไม่มีที่จะรองรับ ต้องไปขออนุญาตใช้สถานที่ที่โรงเรียนสอวอยอรองรับพระที่จะมาสัมมนากันแถมในฝ่ายโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ أ, เชิญเด็กโรงเรียนพุทธศาสนาวอาทิตย์มาอีกมาจัดงานแจกประกาศสัญบัตรวัดคลึกคืนคลึกครื้นคลึก ค, คั ก, คกแต่ว่าใครไม่ลงมาช่วยมาทำเงียบเหงาว้าเวอยู่คนเดียว เดินผ่านไปผ่านมาเขาทำอะไรกันชีวิตก็มีแต่ความวังเวงเงียบเหงาไม่สามารถมาช่วยมาจับมาทำก็บริจาคสนับสนุนเลี้ยงพระเป็นพันพันรูปอย่างนี้เราก็มีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นสุขไปด้วยการรู้สึกมีส่วนร่วมญาติโยมคงจะรู้สึกได้ตอนที่น้ำท่วมประเทศไทยปีที่ผ่านมาดูข่าวทางโทรทัศน์ บ้านโน้นก่อท่วมบ้านนี้ก็ท่วมทุ ก, กันท่วงหน้าบ้านเราไม่ท่วมเราอยู่ลึกเข้ามาตรงนี้อยู่เฉยไม่ได้เห็นเขาช่วยกันจับช่วยกันหามอาสาสมัครเราก็ต้องไปละอาสาสมัครช่วยตรงนั้นตรงนี้ในที่พักพิงไปไม่ได้ก็บริจาคเงินบริจาคทองแล้วจะรู้สึกว่าเป็นสุขใจขึ้นมิฉะนั้นเราก็อึดอัดทุกใจที่เห็นเพื่อนทุก แล้วไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ทุกข์แต่พอแล้วเราได้ช่วยกันจับกันหามช่วยกันทำได้ไปรู้ได้ไปเห็นความทุกข์มันละลายไปกับสายน้ำใจเราก็รู้สึกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขมีความสุขขึ้นเป็นกองทำนองเดียวกันคนในบ้านของเรามีความทุกข์ไม่สาบายไปอยู่โรงพยาบาลเราป่วยแทนเขาไม่ได้แต่ไปปรนนิบัติไปเฝ้าไข้ เอาอาหารไปให้หรือไปเยี่ยมให้เห็นหน้าก็เรียกว่าความพร้อมเพลียงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนไข้ก็มีความสุขมีกำลังใจเราได้ไปเยี่ยมก็รู้สึกสบายใจที่เห็นเขาดีขึ้นหรือไม่ก็ได้แสดงน้ำใจแต่ถ้าหากว่าคนเขามีความทุกข์ปล่อยให้เขาทุกข์ไปคนเดียวในบ้านนอนป่วยพังงาบพั ง, งาบไม่ถามสักคาว่าจะตายเมื่อไหร่คนป่วยก็น้อยใจ เราเองก็ไม่สบายใจมัวแต่ไปเฉิดฉายเฉิดฉันอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวอย่างนี้ก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขมีความรู้สึกสำนึกผิดมีความรู้สึกไม่สบายใจได้ทำอะไรจะโดยตรงก็คือไปช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำหรือจะโดยอ้อมคือช่วยกันบริจาคหรือส่งคนไปทำ เราก็จะพลอยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกวัดปรยร่วงสาวาสนานๆจะจัดฉลองใหญ่1้อยแปดสิบห้าปีไม่ได้จัดมาห้าปีแล้วนะโยมจัดฉลองใหญ่ครั้งที่แล้ว1้อยแปดสิบปีทูลเชิญสมเด็จพระเทพพระ ร, ราชสุดาสเสด็จนั่นก็ครั้งหนึ่งญาติโยมก็มากันคับคั่งปีนี้ก็ทูลเชิญสเสด็จเหมือนกันให้ตอบรับก่อนค่อยบอก แต่ว่าองค์ไหนยังไม่บอกฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มาช่วยกันทำความสะอาดจัดของจัดตรงนั้นตรงนี้มีความสุขร่วมกันสมัครานังตโปสุขโขทำอะไรพร้อมๆกันด้วยจิตเจตนาเดียวกันมีความสุขเพราะเหตุที่คนไทยได้ทำพร้อมกันเพื่อพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยจึงมีความสุขด้วยเห็นข่าวอันนี้ เพราะเหตุที่เราได้ฉลองพุทธชยันตีสอง0ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพร้อมเพียงกันทั้งในประเทศต่างประเทศพระทั่วโลกจากแปสิบห้าประเทศก็บินมาร่วมฉลองกับเราด้วยเห็นภาพเหล่านี้แล้วมีความสุขตรงกันข้ามเห็นภาพคนประชุมกันเป็นเป็นหมื่นนะแล้วมาเพื่อด่ากันทะเลาะกันนี่ทุกข์กันแล้วยังไม่เห็นว่าจะได้ฆ่ากันนะ แค่เห็นว่ามีข่าวด่ากันทะเลาะกันมีความทุกข์ทันทีเศร้าหมองทันทีเพราะเหตุที่ว่ามันจะแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่า ย, เ ป, ายเป็นสีเหมือนเดิมหรือเปล่าอุตส่าห์น้ามาล้างสีแล้วน้าท่วมแล้วก็ยังไม่หายแค้นน้ำฉโลมใจแทนที่จะเย็นใจกับร้อนขึ้นเพราะรู้ว่าคนมันร้อนคนมันเผชิญหน้าคนมันจะทะเลาะกันเราก็เกิดอุณหภูมิขึ้นใจมันชักจะกระสับกระส่ายมีความทุกข์ เพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์มันอยู่ที่เราสามัคร ส, สมานสามัคคีกันเพียงไรปีนี้คนสมัครสมานสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนไทยพอไม่ทะเลาะกันนี่มีคนมาถามเราตอบได้ทันทีมีความสุขเพราะเราไม่ทะเลาะกันสำนักสำนักโพนทั่วโลกนะก็คือแกนหลัปโพลอยู่ที่อเมริกา ทำแบบสอบถามทั่วโลก148ประเทศในปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ซุมตัวอย่างถามนะเขาไม่ได้ถามญาติโยมหรอกเขาถามตัวอย่างว่าคนในประเทศนั้นจะเอากี่พันคน148ประเทศลองคิดดูว่ากีเา่เป็นจำนวนคนเท่าไหร่ถามเสร็จเขาก็เอามาประเมินผลถามง่ายๆนะว่าวันนี้หรือช่วงนี้คุณยิ้มบ่อยไหม ช่วงนี้มีความสุขได้หัวเราะได้สนุกสนานบ่อยไหมมีความสุขได้หัวเราะได้สนุกสนานแล้วได้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้รับการยอมรับได้รับการเคารพสนับสนุนได้กําลังใจจากคนอื่นไหมถามห้าข้อทนายโยมถามทํานองนี้แหละเช่นได้พักผ่อนนอนหลับ ส, สบายไหมถามอย่างนี้นะเอาเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกถามความรู้สึก ลองถามตัวตัเองว่าพักนี้ได้ยิ้มบ่อยไหมหมายถึงยิ้มกับคนอื่นนะไม่ใช่ยิ้มคนเดียวนะยิ้มก็ต้องยิ้มกับคนอื่นใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าความสามัคคีถ้าไม่รักไม่ชอบกันยิ้มให้กันเขาก็ไม่ยิ้มตอบเครียดเปล่าๆถามว่าเออช่วงนี้ได้รับความเคารพนับถือการยกย่องดีไหมนี่ก็คือคนอื่นอีกแหละสรุปแล้วถามในลักษณะของความสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่อย่างนี้แหละคือคำถามที่เขาถามทั่วโลกร้อยสี่สิบแปดประเทศปรากฏผลออกมาว่าประเทศไทยนั้นได้อันดับสามของโลกนะอันดับหนึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียทีเดียว เ, เรื่องความมีน้ำใจสมัครสมานสามัคคียิ้มแย้มแจ่มจใสช่วยเหลือเกือก้อกูลกันทาให้เพื่อนมีความสุขนี่ ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียญี่ปุ่นสิงคโปร์ว่ามีเงินมีทองเยอะแต่อยู่อย่างแข่งขันอย่างสั์เศรษฐกิจเอาเป็นเอาตายไม่ยิ้มให้ใครไม่กลัวใครจะได้ดีกว่าอิจฉาริษยากันสิงคโปร์นั้นมีเศรษฐกิจเขาเรียกว่ารายได้ประชาชาติใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกแต่เวลาให้คนสิงคโปร์ตอบคาถามว่ามีความสุข จากที่คนอื่นทําให้ยิ่ยมเยีมแจ่มใสไหมสามัคคีดีกันไหมนี่สิงคโปร์ได้คะแนนน้อยมากในผลตอบที่ว่าเป็นเปอร์เซ็นคนตอบมาสมมติว่าหนึ่งพันคนอย่างนี้คนที่ตอบว่ามีความสุขนี่มีกี่คนสมมุติถ้าตอบว่ามีความสุขในในร้อยคนตอบว่ามีความสุขแปดสิบสามคนเขาให้แปดสิบสามเปอร์เซอันดับหนึ่งของโลกคือปานามา ตอบ8ได้ 85% 85% เปอร์ซเปอร์ซน์ของผู้ตอบว่ามีความสุขเป็นชาวปานามาประเทศไทยตอบว่ามีความสุขนี้ได้ 83% เปซหมายถึงในร้อยคนตอบว่ามีความสุข83สคนเราจึงได้อันดับสามของโลกสิงคโปร์ได้เท่าไหร่สิงคโปร์เทียบกันแล้วลังท้ายในร้8สประเทศนี่สิงคโปร์อยู่ร้8ยสี่สิดว่างั้นเถอะ ทั้งท่าน ท, ที่รวยเป็นอันดับห้าของโลกคะแนนร้อยได้มีความสุขเพียง46คน43คนเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าคนรวยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ในบ้านเนี่ยพ่อไปทางแม่ไปทางบ้านหลังใหญ่นะเรียกว่าอยู่ห้องกงันคนละมุมโนดไปอยู่ท้งโน้นมุมหนึ่งมื้อทางนี้มุมหนึ่งทานข้าวก็ไม่ตรงเวลากัน ลูกก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เห็นหน้าแม่แล้วมันก็อยู่อย่างว้าเวเดียวดายวันนี้ได้ยิ้มหรือยังจะไปยิ้มอะไรเ่าไม่เคยเห็นหน้ากันเนะี่มันไม่ได้เป็นคนโรคจิตโรคประสาทจะได้ยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มมันต้องมีคนรับยิ้มยิ้มให้คนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มเรียราดกับต้นไม้ต้นไรทีนี้คนที่จะมีน้ำใจไปมาหาสู่กันไปเยี่ยมไปเย็ยนกันมันไม่มีนะ่แล้วจะไปมีความสุขที่ไหน ใหม่นี้ได้ยิ้มกี่ครั้งนะไม่ได้ยิ้มเลยเพราะไม่มีใครมาเยี่ยมนะไม่มีได้ขอบคุณใครเพราะไม่เคยมีใครให้ของขวัญไอ้ของขวัญจะมากจะน้อยมันไม่สาคัญหรอกสำคัญคนเขาแสดงน้ำใจให้เราได้ขอบคุณก็บุญแล้วบางทีเนี่ยนะคนที่จนเนี่ยเอาของมาให้เรามีน้าใจนะของเล็ก ๆ, ๆน้อยๆ น, นี่เรายังได้ขอบคุณนะตรงกันข้ามคนที่รวยมีสตัง ไม่เคยให้อะไรแก่เราเลยแล้วเราจะไปขอบคุณเขาได้อย่างไรไม่เคยทำบุญไม่เคยช่วยเหลือใครแล้วเมื่อคุณไม่เคยให้ใครแล้วใครจะให้คุณมันก็เงียบเหงาว้าเวาอยู่เดียวดายนั่นแหละมันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่ได้ให้แก่เขาเขาก็จะได้รับตอบอย่างน้อยได้รับคาขอบคุณได้รับรอยยิ้มได้มีการพูดการจาเมื่อเราทักเขาเราก็ได้พูดกันเพราะเขาก็จะคุยกับเราตอบ บูชาโกละระเตปูชางวันทโกปฏิวันทนั้นบูชาเขาเขาก็บูชาตอบไหวเขาเขาก็ไหวตอบแต่ถ้าหากว่าเราโมแต่ถือทิฏฐิมาณ์เยอะยิงไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูแลกันและกันแล้วเขาจะมาตอบแทนน้ําใจได้อย่างไรบางทีทะเลาะ ก, กันไม่พูดกันเป็นปีปีใหม่แล้วก็ยังไม่ยอมอโทรศัพท์ไปขออาภัยกันให้อาภัยกันทําอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขถ้าไม่มีการให้อาภัยผิด และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวตนโชคโชคดีที่เราได้มีพระพุทธศาสนาขนไทยก็เลยเป็นสยามเมืองยิ้มเพราะยิ้มกันอยู่ประจํายิ้มให้คนอื่นยิ้มแก่กันและกันเรียกว่าสยามเมืองยิ้มจึงไม่แปลกที่เรายังคองสถิติโลกเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียเป็นอันดับสามของโลกว่าเรามีความสุข ทั้งทั้งที่เราจนปว่าหลายหลายประเทศเราไม่มีเงินคนจนก็มีสิทธิที่จะมีความสุขไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเยิมได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อภัยมีมีน้ำใจต่อกันอย่างที่หลวงพ่อพระพุทธรายานอดีตเจ้าวาดวัดปยุรวงสาวาทท่านได้กล่าวว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำแควเล็กแควใหญ่ก็สู้น้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีน้าใจ บริวารมาก็เพราะน้ำใจมีบริวารห น, นีก็เพราะน้ำใจหมดบริวารลดก็เพราะน้ำใจแห้งปีใหม่นี้บริวารหายหน้าหายตาไปเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนแรงน้ำใจเมื่อแรงน้ำใจใครก็ไม่อยากมาหาเข้าพบหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ทีไรเอาแต่ดุเอาแต่ด่าลูกหลานก็หนีไปหมดเคยสังเกตไหมทำไมกลางคืนเนี่ยแม้เวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยนะ ท่านก็จะเห็นดาวเนี่ยเต็มท้องฟ้าดาวสวยงามเลยวันขึ้นสิบห้าค่ำนะพระจันทร์เต็มดวงแต่ดาวเพียบเลยท้องฟ้าสวยงามแต่ในเวลากลางวันดาวหายไปไหนหมดเลยโยมพระอาทิตย์เต็มดวงเนี่ยขึ้นมาแต่เช้าเลยนะพระเที่ยงวันจนทั่งตกตกดินเนี่ยไม่มีดวงดาวแต่พอพระอาทิตย์ลับหายไปแล้วดาวโผล่บนท้องฟ้าแม้แต่จะไม่มีพระจันทร์วันข้างแล้งก็ตามทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเวลาพระจันทร์ขึ้นเนี่ยนะแม่แสงจันทร์มันวนวลชุ่มเย็นเนมีน้ำใจนะดาวทั้งหลายก็ประดับท้องฟ้าแต่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยแสงมันแรงกล้านะไล่ดาวหายไปหมดแสงดาวไม่ปรากฏเหมือนคนใจร้อนนี่เหมือนคนที่เจอหน้าไทยทีหงุดหงิดทุกครั้งด่าทุกครั้งยิ้มไม่เป็นเนี่ยนะกลายเป็นคนที่อาฆาตพยาบา ท, ที่อิช้าริษยาเพราะไม่ค่อยเข้าวัดไม่ทาบุญทาทาน เวลาทำบุญเราก็ทำด้วยความสบายใจเป็นผู้ให้บริจาคตรงนั้นตรงนี้ให้ตรงนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับให้ความชุ่มเย็นพระจันทร์ให้ความชุ่มเย็นดวงดาวก็เป็นบริวารฉันใดพระอาทิตย์ไม่ให้ความชุ่มเย็นมีแต่ความร้อนมันก็ไม่มีดาวประดับฉันใดคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสคนก็ยิ้มตอบสมัรสมานสามัคคีมีความสุข ตรงกันข้ามถ้าเอาแต่โมโหร้ายโทสะว่าคนโน้นคนนี้ช่างนินทาค่อนแคะคนนั้นคนนี้หนีหายหมดเลยเหมือนแสงอาทิตย์ฉันนั้นไม่มีไม่มีดวงดาวมาประดับท้องฟ้าโครงโลกกนิตเขาจึงบอกว่าอ่อนหวานมารมิตรล้นเหลือหลายยาบบมีเกลือายเกลื่อนไกล้ดุดดวงสสิฉายดาวดานประดับนาสุริยะส่องดาราไ ร, ร้เพื่อนเมื่อเพื่อนร้อนแรงแสงเมื่อร้อนแรงแสง ก็หมายความว่าดุดดวงสสิฉายสสิคือพระจันทร์สสิคือพระจันทร์ดุดดวงสสิหรือสสิธรเนี่นะสะแปลว่ากระตายสสิธรแปลว่าผู้ทรงกระตายกระตายอยู่ในพระจันทร์เขาเรียกว่าสสิธรดุดดวงสสิฉายดาวดาบประดับนาสุริยะคือพระอาทิตย์สุริยะส่องดาราไร้เมื่อร้อนแรงแสงโอ้โหเสียงแสงพระอาทิตย์มันร้อนเลยหนีหายหมด คนที่ถือยศถือศักดิ์คนที่ถือว่าตัวเองร่ํารวยเก็กนะเก็กใส่เพื่อนนี่เพื่อนหนีหมดไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเข้าใกล้ได้ยศได้ตําแหน่งใหญ่โตนะแต่ว่าคนเข้าไม่ถึงมีประโยชน์อะไรเงียบเหงาอยู่คนเดียวรู้จักทักทายตอนรับไปมาหาสู่พระสงฆ์องค์เจ้านี่ไม่ใช่ว่ า, าเตะถ้าเตะจุยนะ่ยดังมาแล้วนะไม่รับญาติโยมนะหรือวันนี้บินทบาทรวยแล้วไม่รับไม่รับบาดคนจนอย่างนี้ไม่ได้ พระพุทธเจ้ายังสอนพระทั้งหลายเลยนะเจอญาติโยมทั้งหลายต้องทักก่อนนะปุบพระภาษีทักทายเขาก่อนเพราะเราอยู่ที่วัดเป็นเจ้าของบ้านเอ่อทักทายเขาหน่อยก็ยังดีปุบพระภาษีอุตานามุขขีแปลว่าหน้าไหนเย้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เดินหน้าควา่ำเลยบวกบอกบุญไม่รับทั้งญาติโยมทั้งพระถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันนะอย่างวัดประยุรวงศสาวาสญาติโยมมานี่ มาทำบุญมาอะไรต่างทักทายไม่ทั่วมีเทศนาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออไม่ไม่พูดไม่จา ก, กันอย่างที่จะมามาเทศบนธรรมะ ก, ก็เหมือนกับต้อนรับญาติโยมด้วยธรรมะปฏิสันถานให้ธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับญาติโยมใครไปบ้านก็ให้อามิสปสิสันถานต้อนต้อนรับด้วยสิ่งของด้วยขนมด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆนี่เป็นพละแบบฉะนั้นท่านทั้งหลาย ความมีน้ำใจกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนี่แหละทาให้คนไทยมีความสุขมาแต่โบราณและเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันเป็นสยามเมืองยิ้มจนกระทั่งแกนหลับโพนี่ให้จัดอันดับให้เราอยู่อันดับสามของโลกและเราก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันจริงๆเพราะว่าถ้าไปถามเมื่อตอนที่เราตีกันเผาบ้านเผาเมืองคงยิ้มกันไม่ออกและโชคดีมาถามในปีสองปีนี่ เพราะฉะนั้นก็หวังว่าปีใหม่นี่นะเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ไม่น่ามุ่ยใส่กันไม่ก้มหน้าเขาเรียกหน้าความใส่กันและก็ไม่แยกเคี่ยวใส่กันยิ้มกันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราใัยเราก็จะได้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอย่างน้อยในเอเชียตอนนี้เป็นอันดับสามของโลกและตอนนี้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากขึ้นเนาะ เพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่ามีหนังมีภา พ, พยนตร์จีนนะมาถ่ายทําในเมืองไทยชื่อว่าล้อซินไทยแลนด์แปลว่าหลงทางในประเทศไทยคนจีนดูกันใหญ่เลยตอนนี้ทํารายได้กันสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ในแผ่นดินจีนก็เลยทําให้ตอนนี้ประเทศไทยนะี่นะคนจีนแห่กันมามากกว่าปกติจีนพผนดินใหญ่นะนู่นไปที่เชียงใหม่เพราะว่าภา พ, พยนตร์นี่มันเป็นคนจีนมันไปหลงอยู่ที่เชียงใหม่ต่อมาก็ไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงนะดูตามข่าว แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไปถ่ายทําที่เชียงใหม่เนี่ยคนเชียงใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอากาศชุ่มเย็นใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสเสน่ห์ประทับใจคนจีนก็เลยอยากจะไปเชียงใหม่ปกติไปภูเก็ตนีไปเที่ยวทเที่ยวชายทะเลไปพัทยาตอนนี้เปลี่ยนไปทางโน้นกันแล้วเรียกว่าทั้งหมดแม้แต่ชาวโลกเนี่ยก็ต้องก็ต้องการประเทศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสญาติโยมเองอยู่ในบ้านยิ้มให้กันบ้างหรือเปล่า ไม่ใช่ไปยิ้มไปดีแต่คนนอกบ้านนะพระสิทฝรั่งเขาบอกว่าความนี้ยังมีน้ําใจมันเริ่มต้นที่บ้านถ้าหาว่าที่บ้านเราไม่มีน้ําใจไปมีน้ําใจผุ้มเฟือยนอกบ้านนี่มันก็ให้ความสุขแก่คนนอกบ้านแต่คนในบ้านทุกข์เหลือเกินอยู่ด้วยกันในวัดเนี่ยยิ้มให้กันไปนู่นไปยิ้มไปดีที่ไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ทําให้ตัวเองนะี่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีน้ําใจต่อกันฉะนั้นในปีใหม่เนี่ย เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นสัตว์สังคมที่มีน้ําใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ทําความดีให้กันให้ของฝันกันนึกถึงกันโทรศัพท์หากันไม่ไปเยี่ยมเยียนกันเป็นอย่างนี้ก็จะทาให้เกิดความสามัคคีไปสวดมนต์นนด้วยกันนส่สวดมนต์ข้ามปีที่วัดปิุรวงสาวาตก็ได้ที่สนามหลวงก็ได้แล้วอย่าลืมวันที่12บสมาร่วมฉลองวัดวัดปยุรวงสาวาต ส, สมโพธิรัญญบัตของเจ้าวาด 12-13 ม ก, กราคมให้วัดคึกคักมีบรรยากาศแห่งความสุขมีความสุขมีความ ส, ด, มามสดชื่นก็จะทำให้ความสุขนั้นต่อเนื่องกันอย่างยั่งยืนดังพระบาลีที่อาตมาภาพในยกเป็นนิเขป บ, บทเบื้องต้นว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่คณะนำสุขมาให้สมัคคานาันตโปสุขโขทําอะไรด้วยความพร้อมเพียงกันเนี่ย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็นำความสุขมาให้วันนี้มีโอกาสที่จะมาทำความดีร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงปีใหม่ก็ทำใครที่ยังได้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฉลองวัดไปรวงวงสาวาทมาร่วมโดยตรงทำงานไม่ได้ก็ร่วมบริจาคทำบุญตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มีความการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นนาความสุขมาให้ เพราะฉะนั้นเรามีน้ำใจกับข้างนอกและยังไม่พออยู่ในวัดก็มีน้ำใจในวัดมีอยู่ที่บ้านก็มีน้ำใจกับคนที่บ้านอย่าไปงอนอย่าไปเคร่งเครียดใส่กันนะดีต่อกันยิ้มให้กันอภัยกันมันก็จะเกิดความสุขเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้เกิดจากเรานั่งอยู่คนเดียวเดียวดายนะแต่เป็นความสุขของหมู่คณะช่วยกันสร้างช่วยกันทาและเพราะทาอย่างนี้ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ มีความสุขที่สุดในเอเชียเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับสามของโลกไม่ใช่เกิดโดยโชคช่วยหรือบุญบันดาลเกิดเพราะเราสามัคคีกันถ้าเราไม่ตีกันเราอาจจะได้อันดับหนึ่งของโลกก็ได้แต่เคยตีกันมากประวัติไม่ดีคนก็ยังระแวงอยู่นับแต่นี้ไปคงไม่ตีกันนะคงจะยิ้มแ ย, ย้มเข้าหากันและกลายเป็นสยามเมืองยิ้มด้วยความสดชื่นดีใจและเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนมะเรงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่ดีอย่างไรยิ้มไว้สามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะทำให้เรามีความสุขอย่างยังย่งยืนต่อไปตลอดปีใหม่และตลอดไปเทศนาปริโยสาเนเนวาสารเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานีขออํานาจแห่งคุณพระศีรัตนตรัยและก อำนาจบัวบารมีธรรมของหลวงพ่อพระพุทธนาพระพระประธานในพระอุโบสถและเดชะบารมีพระบรมสารีริกธาตุจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะเป็นพลวัปัจจัยอำนวยพรปีใหม่ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากอุปัรรควันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาะาปาติพานคุณสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นนั้นอธิษฐานจิตในปีใหม่นั้น น, นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมโนรถมุ่งมาดปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่และตลอดไป รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสามมิกรกถาพอสมควรแก่เวลาขอสมุดยติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยประการฉนี้